มีประภาคตรัสว่าลำดับนั้นพิสูจนั้นถูกถ้อยคําของคนอื่นตักเตือนแล้วย่อมสร้างศาสตราเธอย่อมเกล้าวลงสู่ความเป็นคนพูดเท็จนี้แหละเป็นเครื่องทําให้ติดใหญ่ของเธอคําว่าลำดับนั้นในคําว่าลำดับนั้นพิสูจนั้นถูกถ้อยคําของคนอื่นตักเตือนแล้วย่อมสร้างศาสตราเป็นบทสนทิเป็นคําเชื่อมบท เป็นคำที่ทำบทให้บริบูรณ์เป็นความสัมพันธ์แห่งอักษรเป็นความสละสรวยแห่งพยัญชนะคำว่าลำดับนั้นนี้เป็นคำเชื่อมบทหน้ากับบทหลังเข้าด้วยกันว่าด้วยศาสตร์สามอย่างคำว่าศาสตร์ได้แก่ศา ส, สตร์สามอย่างคือหนึ่งศาสตร์ทางกาย 2. สศาสตร์ทางวาจา ศาสศัสตราทางใจกายทุจริตสามอย่างชื่อว่าศัตราทางกายวจีทุจริตสี่อย่างชื่อว่าศัตราทางวาจามโมทุจริตสามอย่างชื่อว่าศัตราทางใจคําว่าถูกถ้อยคําของคนอื่นตักเตือนแล้วอธิบายว่าถูกอุปชาอาจารย์ผู้ร่วมอุปชาผู้ร่วมอาจารย์มิตร เพื่อนเห็นเพื่อนคบหรือสหายตักเตือนก็พูดเท็จทั้งรู้อยู่เพอพูดว่าท่านผู้เจริญกระผมยินดีในการบวชอยู่แล้วแต่กระผมต้องเลี้ยงดูมารดาเพราะเหตุนั้นกระผมจึงสึกพูดว่ากระผมต้องเลี้ยงดูบิดาต้องเลี้ยงดูพี่ชายน้องชายต้องเลี้ยงดูพี่สาวน้องสาวต้องเลี้ยงดูบุตรต้องเลี้ยงดูธิดาต้องเลี้ยงดูมิตร ต้องเลี้ยงดูอมาตต้องเลี้ยงดูยาิพูดว่ากระผมต้องเลี้ยงดูผู้ร่วมสายโลหิตด้วยเหตุนั้นกระผมจึงศึกย่อมสร้างคือสร้างขึ้นให้เกิดให้เกิดขึ้นให้บังเกิดให้บังเกิดขึ้นซึ่งศัพท์ราทางวาจาดังว่ามนี้รวมความว่าลำดับนั้นพิกษุนั้นถูกถ้อยคาของคนอื่นตักเตือนแล้วย่อมสร้างศัพท์รา คำว่านี้แหละเป็นเครื่องทําให้ติดใหญ่ของเธออธิบายว่าการกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่เป็นเครื่องทําให้ติดใหญ่เธอเป็นป่าใหญ่เป็นดงใหญ่เป็นทางกันดานใหญ่เป็นดุจทางคลุกคละมากเป็นทางโคตรมากเป็นดุจลมใหญ่เป็นดุจบ่อใหญ่เป็นความกังวลมากมายเป็นเครื่องผูกพันใหญ่ของเธอรวมความว่า นี้แหละเป็นเครื่องทำให้ติดใหญ่ของเธอว่าด้วยมุสาวาตคำว่าย่อมก้าวลุงสู่ความเป็นคนพูดเท็จอธิบายว่ามุสาวาตตรัสเรียกว่าความเป็นคนพูดเท็จคนบางคนในโลกนี้อยู่ในสภาอยู่ในบริษัทอยู่ท่ามกลางหมู่ญาติอยู่ท่ามกลางหมู่ทหารหรืออยู่ท่ามกลางราชสำนัก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 ความเป็นคนพูดเท็จอีกในหนึ่งมูสาวาดมีได้ด้วยอาการสามอย่างคือหนึ่งก่อนพูดเธอก็รู้ว่าเราจะพูดเท็จสองกำลังพูดก็รู้ว่าเรากำลังพูดเท็จสาพูดแล้วก็รู้ว่าเราพูดเท็จแล้วมูสาวาดมีได้ด้วยอาการสามอย่างเหล่านี้อีกในหนึ่งมูสาวาดมีได้ด้วยอาการสี่อย่าง ด้วยอาการ5อย่างด้วยอาการ6อย่างด้วยอาการ7อย่างมุสาวาตมีได้ด้วยอาการ8อย่างคือ 1. ก่อนพูดเธอก็รู้อยู่ว่าเราจะพูดเท็จ 2. กำลังพูดก็รู้ว่าเรากำลังพูดเท็จ 3. พูดแล้วก็รู้ว่าเราพูดเท็จแล้ว 4. ปิดบังทิฐิ 5. ปิดบังความพอใจ 6. ปิดบังความชอบใจ 7. ปิดบังความสำคัญ 8. ปิดบังความจริงมุสาวาดมีได้ด้วยอาการ8อย่างเหล่านี้คำว่าย่อมก้าวลงสู่ความเป็นคนพูดเท็จได้แก่ย่อมก้าวลงคือย่อมอย่างลงอย่างลงเฉพาะเข้าถึงความเป็นคนพูดเท็จรวมความว่าย่อมก้าวลงสู่ความเป็นคนพูดเท็จ ด, ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าลำดับนั้นภิสุนั้นถูกถ้อยคำของคนอื่นตักเตือนแล้วย่อมสร้าสาสตราเธอย่อมก้าวลงสู่ความเป็นคนพูดเท็จนี้แหละเป็นเครื่องทำให้ติดใหญ่ของเธอ ห้สิบห้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุในเบื้องต้นได้สมญานามว่าเป็นบัณฑิตอธิษฐานการเที่ยวไปผู้เดียวต่อมาเธอประกอบในเมถุนธรรมก็จับมัวหมองเหมือนกับคนโง่ฉะนั้นว่าด้วยต้นตรงปลายคดคําว่าภิกษุในเบื้องต้นได้สมญานามว่าเป็นบัณฑิตอธิบายว่า ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ได้รับการสรรเสริญเกียรติคุณว่าเป็นบัณฑิตคือเป็นผู้ฉลาดมีปัญญาเป็นพหูสูตรมีถ้อยคายําไพเราะมีปฏิพานดีเป็นผู้ทรงจําพระสูตรบ้างเป็นผู้ทรงจําพระวิในบ้างเป็นพระธรรมกรถึกบ้างเป็นผู้ได้เนวสัญญานาสัญญายตนาสมาบัตบ้างในเบื้องต้นคือในคราวที่เป็นสมณนะ ซึ่งผู้คนรู้จักกันรู้จักกันทั่วชื่อว่าได้สมญานามอย่างนี้รวมความว่าพิกษุในเบื้องต้นได้สมญานามว่าเป็นบัณฑิตคำว่าอธิษฐานการเที่ยวไปผู้เดียวอธิบายว่าได้อธิษฐานการเที่ยวไปผู้เดียวด้วยเหตุสองประการคือหนึ่งด้วยการบวช 2. ด้วยการละความคุกกรีด้วยหมู่คณะ ภิกษุอธิษฐานการเที่ยวไปผู้เดียวด้วยการบวชเป็นอย่างไรคือภิกษุตัดความกังวลเรื่องการครองเรือนทั้งหมดภิกษุอธิษฐานการเที่ยวไปผู้เดียวด้วยการบวชเป็นอย่างนี้ภิกษุอธิษฐานการเที่ยวไปผู้เดียวด้วยการละความคลุกคลีด้วยหมู่คณะเป็นอย่างไรเกือภิกษุนั้นเมื่อเป็นนักบวชแล้วอย่างนี้ผู้เดียวก็ใช้สรอยเส้นนาสนะที่เป็นป่าละเมะและป่าทึบอันจังัด ภิกสุอธิษฐานการเที่ยวไปผู้เดียวด้วยกันและความครุกครีด้วยหมูนะ่คณะเป็นอย่างนี้รวมความว่าอธิษฐานการเที่ยวไปผู้เดียวคำว่าต่อมาเธอประกอบในเมถุนธรรมอธิบายว่าธรรมเนียมของสอัตว์ประษคือธรรมเนียมของชาวบ้านชื่อว่าเมถุนธรรมเพราะเหตุนั้นจึงตราเรียกว่าเมถุนธรรมคาว่า ต่อมาเธอประกอบในเมถุนธรรมอธิบายว่าต่อมาเธอก็บอกลาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิกขากลับมาเป็นครหัสประกอบคือประกอบทั่วประกอบทั่วถึงประกอบพร้อมในเมทุนธรรมรวมความว่าต่อมาเธอประกอบในเมถุนธรรมว่าด้วยการลงโทษ คำว่าก็จักมัวหมองเหมือนกับคนโง่ฉะนั้นอธิบายว่าจากลำบากจักมัวหมองคือเศร้าหมองเหมือนคนกําพร้าคนโง่คนลุ่มหลงคือฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างตัดช่องย่องเบาบ้างขโมยยกเข้าบ้างปล้นบ้านบ้างดักที่ในทางเปลี่ยวบ้างละเมิดพัญญาของผู้อื่นบ้างพูดเท็จบ้างจากลำบาก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 ถลกหนังศีษะแล้วขัดให้ขาวเหมือนสังบ้างเอาไฟยัดปากจนเลือดไหลเหมือนปากราหูบ้างเอาผ้าพันตัวราดน้ำมันแล้วจุดไฟเผาบ้างพันมือแล้วจุดไฟต่างคบบ้างถลกหนังตั้งแต่คอถึงข้อเท้าให้ลุกเดินเหยียบหนังจนล้มลงบ้างถลกหนังตั้งแต่คอถึงบั้นเอวทาให้มองดูเหมือนนุ่งผ้าคากรองบ้าง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 เหลือไว้แต่กองเนื้อเหมือนต่างใบไม้บ้างรถโตวได้น้ำมันที่กำลังเดือดพล่านบ้างให้สุนัข ก, กัดกินจนเหลือแต่กระดูกบ้างให้นอนบนเหลาทั้งเป็นบ้างตัดศีรษะออกด้วยดาบบ้างเธอจักลำบากจับมัวหมองเผอเศร้าหมองอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งเธอถูกกลามาตันหาครอบงำถูกกลามาตันหาตรึงใจไว้แล้วเมื่อจะสแสวงหาโภอทัพย์ ก็ต้องแล่นเรือออกไปสู่มหาสมุทรฝ่านาวฝ่าร้อนถูกสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานเบ็ดเบียนเอาบ้างถูกความหิวกระหายกดดันอยู่ก็ต้องเดินทางไปคุมมพรัตตักกะโกละรัตตะกัวป่าตั ก, กะศิละรัตกาลภพุขรัตปุระรัตเวสุงพรัตเวราปัารัตชวารัต ตามะลิงรัฐนครศรีธรรมราชวังคารัฐเอละพันธนรัฐสุวรรณกูตรัฐสุวรรณภูมิรัฐตัมพปานิรัฐสุปาทกรัฐเพรุกัตเรัฐสุรัฐรัฐพังคโลกรัฐพังคณรัฐปรมพังคณรัฐโยนรัฐปินรัฐวินกกรัฐมูลปัทรัฐ เดินทางไปยังทะเลทรายที่ต้องหมายด้วยดาวคลานไปด้วยเขา่าเดินทางด้วยแพเดินทางด้วยแกะไปด้วยการตอกหลักผูกเชือโขนไปไปด้วยร่มเดินทางด้วยการตัดไม้ไผ่ทำพระองค์สำหรับปีนเดินทางอย่างนกเดินทางอย่างหนูไปตามซอกเขาไต่ไปตามลำวายเธอก็จักรลำบากจักมัวหมองเือเศร้าหมองอย่างนี้บ้าง เมื่อสแสวงหาไม่ได้ก็ต้องเสวยทุกข์และโทมนัสที่มีการไม่ได้เป็นต้นเหตุเธอก็จักลำบากจักมัวหมองคือเศร้าหมองอย่างนี้บ้างเธอเมื่อสแสวงหาได้มาและครั้นได้แล้วก็ยังต้องเสวยทุกข์และโทมนัสที่มีการต้องรักษาเป็นมูลเหตุบ้างด้วยความหวาดหวั่นว่าอย่างไรหนอพระราชาจะไม่พึงริบพวกข้าัพ์ของเราโจรจะไม่พึงปล้น ไฟจะไม่พึงไหม้น้ำจะไม่พึงพัดพาไปทายาที่ไม่เป็นที่รักจะไม่พึงรักเอาไปเมื่อรักษาคุ้มครองอยู่อย่างนี้โภคทรัพย์ย่อมเสื่อมค่าลงเธอต้องเสวยทุกข์และโทมนัสที่มีความพลัดพรากเป็นมูลก็จักลลำบากจักมัวหมองคือเศร้าหมองอย่างนี้บ้างรวมความว่าต่อมาเธอประกอบในเมถุนธรรมก็จักมัวหมอง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 พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามุนีรู้โทษนี้แล้วในคราวเป็นครหัสก่อนบวชในธรรมวิ น, นัยนี้พึงทำการเที่ยวไปผู้เดียวให้มั่นคงไม่พึงเข้าไปเสพเมถุนธรรมว่าด้วยปฏิปทาของมุนีคำว่านี้ในคาว่ามุนีรู้โทษนี้แล้วในคราวเป็นครหัสก่อนบวชในธรรมวิ น, นัยนี้อธิบายว่า ยศและเกียรติในเบื้องต้นคือในคราวที่เป็นสมณะความเสื่อมยศความเสื่อมเกียรติของเธอผู้บอกลาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ศิทขากลับมาเป็นครหัดในเวลาต่อมาคือรู้วิปัแห่งสมบัตินี้คําว่ารู้แล้วได้แก่รู้แล้วเทียบเทียงแล้วพิจารณาแล้วทําให้กระจ่างแล้วทําให้แจ่มแจ้งแล้ว คำว่ามูนีอธิบายว่ายานท่านเรียกว่าโมนะคือความรู้ทั่วกิริยาที่รู้ชัดผู้ก้าวล่วงกิเลสเครื่องคล่องและตัณหาดุจตะข่ายได้แล้วชื่อว่ามูนีคำว่าในธรรมวินัยนี้ได้แก่ในทิฐินี้ในความถูกใจนี้ความพอใจนี้ความยึดถือนี้ธรรมนี้วินัยนี้ธรรมวินัยนี้ บาพนี้พรหมจันนี้สัตุศาสนี้อัตภาพนี้มนุษย์โลกนี้รวมความว่ามุนีรู้โทษนี้แล้วเนคราวเป็นครหัสก่อนบวชในธรรมวินัยนี้คาว่าพึงทำการเที่ยวไปผู้เดียวให้มั่นคงอธิบายว่าพึงทำการเที่ยวไปผู้เดียวให้มั่นคงด้วยเหตุสองอย่างคือหนึ่งด้วยการโบวช 2. ด้วยการละความครุกครีด้วยหมูนะ่คณะมุณีพึงทำการเที่ยวไปผู้เดียวให้มั่นคงด้วยการบวชเป็นอย่างไรคือมุณีตัดความกังวลเรื่องการครองเรือนตัดความกังวลเรื่องบุตรพันยาตัดความกังวลเรื่องญาติตัดความกังวลเรื่องมิตรและอามาตย์ตัดความกังวลเรื่องการสะสมทั้งหมดโกนผมและหนวดแล้วนุ่งห่มผ้ากาสาวะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิต เข้าถึงความไม่มีกังวลแล้วพึงเที่ยวไปผู้เดียวพืออยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปผู้เดียวมูนีชื่อว่าพึงทำการเที่ยวไปผู้เดียวให้มั่นคงด้วยการบวเป็นอย่างนี้มูนีพึงทาการเที่ยวไปผู้เดียวให้มั่นคงด้วยการละความครุกคลีด้วยหมู่คณะเป็นอย่างไรคือมูนีนั้นเมื่อเป็นนักบวทแล้วอย่างนี้ผู้เดียว พึงใช้สอยเสนาสนะที่เป็นป่าละเมาะและป่าทึบอันสงัดมีเสียงน้อยมีเสียงอึกระทึกน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นสถานที่ทำการรับของมนุษย์สมควรเป็นที่เล็กเร้นเธอเดินรูปเดียวยืนรูปเดียวนั่งรูปเดียวนอนรูปเดียวเข้าหมู่บ้านเพื่อบิณบาตรูปเดียวกลับมารูปเดียวนั่งในที่รับรูปเดียว อธิษฐานจงกรมรูปเดียวพึงเที่ยวไปผู้เดียวคืออยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปผู้เดียวมุนีชื่อว่าพึงทำการเที่ยวไปผู้เดียวให้มั่นคงด้วยการละความครุกคลีด้วยหมู่คณะเป็นอย่างนี้คำว่าพึงทำการเที่ยวไปผู้เดียวให้มั่นคงได้แก่พึงทำการเที่ยวไปผู้เดียวให้มั่นคง เพอพึงทําให้ยั่งยืนมีการสมาทานมั่นคงมีการสมาทานไม่คลอนแคลนในครูสมรธรรมทั้งหลายรวมความว่าพึงทําการเที่ยวไปผู้เดียวให้มั่นคงคําว่าไม่พึงเข้าไปเจ็บเมถุนธรรมอธิบายว่าธรรมเนียมของอาสาบุรุษคือธรรมเนียมของชาวบ้านชื่อว่าเมถุนธรรมเพราะเหตุนั้นจึงตรัสเรียกว่าเมถุนธรรมมูนีไม่พึงเจ็ เพืเเนนไพเ่ไม่พึงเศษเป็นนิดไม่พึงส่องเศพไม่พึงเศษเฉพาะไม่พึงประพฤติไม่พึงประพฤติโดยเอือ้อเฟื้อไม่พึงสมาทานประพฤติซึ่งเมถุนธรรมรวมความว่าไม่พึงเข้าไปเศษเมถุนธรรมด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่ามูนีรู้โทษนี้แล้วในคราวเป็นพระหัสก่อนบวชในธรรมวินัยนี้พึงทําการเที่ยวไปผู้เดียวให้มั่นคง ไม่พึงเข้าไปเศษเมทุนธรรมห้าสิบเจ็ดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลพึงศึกษาวิเวกนั่นแหละเพราะการประพฤติวิเวกนี้เป็นจิตสูงสุดของพระอริยะทั้งหลายไม่พึงสําคัญตนว่าเราเป็นผู้ประเสริฐสุดเรื่อการประพฤติวิเวกนั้นผู้นั้นแหลชื่อว่าอยู่ใกล้นิพพานคําว่าวิเวกในคําว่าพึงศึกษาวิเวกนั่นแหละ ได้แก่วิเวกสามอย่างคือหนึ่งกายวิเวกสองจิตตวิเวกสอุปธิวิเวกกายวิเวกเป็นอย่างไรนี้ชื่อว่าอุปธิวิเวกกายวิเวกย่อมมีแก่บุคคลผู้มีกายหลุกออกแล้วยินดียิ่งในเนี่คขัมมะจิตตวิเวกย่อมมีแก่บุคคลผู้มีจิตบริสุทธิ์ถึงความเป็นผู้ผ่องแผ้วยิ่ง และอุปธิวิเวย่อมมีแค่บุคคลผู้ปราศจากอุปธิบรรลุนิพพานอันปราศจากปัจจัยปรุงแต่งคำว่าศึกษาได้แก่สิกขาสาคือ 1. อธิศีละสิกขา 2. อธิจิตสิกขา 3. ามอธิปัญญาสิกขานี้ชื่อว่าอธิปัญญาสิกขาคำว่าพึงศึกษาวิเวกนั่นแหละได้แก่ พึงศึกษาคือพึงประพฤติเอื้อเฟือ้อประพฤติเอื้อเฟื้อโดยชอบสมาทานประพฤติวิเวกนั่นแหละรวมความว่าพึงศึกษาวิเวกนั่นแหละคําว่าเพราะการประพฤติวิเวกนี้เป็นกิจสูงสุดของพระอริยะทั้งหลายอธิบายว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกและพระปเจกรพุทธเจ้าทั้งหลายตราดเรียกว่าพระอริยะ การประพฤติวิเวกเป็นกิจยอดเยี่ยมประเสริฐวิเศษนำหน้าสูงสุดประเสริฐสุดของพระอริยะทั้งหลายรวมความว่าเพราะการประพฤติวิเวกนี้เป็นกิจสูงสุดของพระอริยะทั้งหลายคำว่าไม่พึงสำคัญตนว่าเราเป็นผู้ประเสริฐสุดด้วยการประพฤติวิเวกนั้นอธิบายว่าไม่พึงทาการยกตนไม่พึงทาการอวดตน ไม่พึงทำการเถือตัวไม่พึงทำความแข็งกร้าวไม่พึงทำความกระด้างด้วยความประพฤติวิเวกนั้นคือไม่พึงให้เกิดความเถือตัวไม่พึงทำความผูกพันด้วยการประพฤติวิเวกนั้นได้แก่ไม่ควรเป็นคนแข็งกระด้างเป็นคนเย่อหยิ่งเป็นคนหัวสูงด้วยการประพฤติวิเวกนั้นรวมความว่าไม่พึงสำคัญตนว่า เราเป็นผู้ประเสริฐสุดด้วยการประพฤติวิเวกนั้นคำว่าผู้นั้นแหลชื่อว่าอยู่ใกล้นิพานอธิบายว่าผู้นั้นอยู่ใกล้เคย อ, อยู่ใกล้ชิดอยู่ใกล้เคียงอยู่ไม่ไกลเข้าไปใกล้นิพานรวมความว่าผู้นั้นแหลชื่อว่าอยู่ใกล้นิพานด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าบุคคลพึงศึกษาวิเวกนั่นแหล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 พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามูสัตว์ผู้ติดใจในกามทั้งหลายย่อมยินดีมูนีผู้ว่างประพฤติอยู่ไม่มุ่งหวังการามทั้งหลายผู้ข้ามโอขะได้แล้วคำว่าผู้ว่างในคําว่ามูนีผู้ว่างประพฤติอยู่อธิบายว่าผู้ว่างคือสงัดเงียบได้แก่ผู้ว่างคือสงัเดงงเงียบจากกายทุจริตหัวใจทุจริตมโนทุจริต ราคะโทสะโมหะโกธาอุปนาหะมัคคะปลาสะอิสามะฉริยะมายาสาเถยะถามพะสารัมพะมานะอติมานะมัทธะปมาทะกิเล ท, ทุกชนิดทุจริตทุกทางความกระวนกระวายทุกอย่างความเร่าร้อนทุกสถานความเดือดร้อนทุกประการผู้ว่างคือสงัด เงียบจากอากุศลาภิสังขารทุกประเภทคําว่ามุนีอธิบายว่าญาณท่านเรียกว่าโมนะคือความรู้ทั่วกิริยาที่รู้ชัดผู้ก้าวลุ่งกิเลสเครื่องคล่องและตัณหาดุจตาข่ายได้แล้วชื่อว่ามุนีคําว่าประพฤติอยู่ได้แก่ประพฤติอยู่ยคืออยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดําเนินไป ยังชีวิตให้ดําเนินไปรวมความว่ามุณีผู้ว่างประพฤติอยู่คำว่าไม่มุ่งหวังกรามทั้งหลายอธิบายว่าคำว่ากรามได้แก่กรามสองอย่างแบ่งตามหมวดคือหนึ่งวัตถุกรามสองกิเลสกรามเหล่านี้เรียกว่าวัตถุกรามเหล่านี้เรียกว่ากิเลสกรามมุณีกำหนดรู้วัตถุกราม ละคือละเว้นบรรเทาทําให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งกิเลสกรรมไม่มุ่งหวังในื้กามทั้งหลายคือเป็นผู้สละกกรมแล้วคลายกรรมแล้วปล่อยกรรมแล้วละกรรมแล้วสลัทิ้งกรรมแล้วได้แก่เป็นผู้คลายความกําหนัดแล้วสละราคาแล้วคลายราคะแล้วปล่อยราคะแล้วละราคะแล้วสลัดทิ้งราคะแล้ว เป็นผู้หมดความอยากแล้วดับแล้วเย็นแล้วมีตนอันประเสริฐเสวยสุขอยู่รวมความว่าไม่มุ่งหวังกามทั้งหลายคําว่าหมูสัตว์ในคําว่าหมู่สัตว์ผู้ติดใจในกามทั้งหลายย่อมยินดีผู้ข้ามโอเคได้แล้วเป็นชื่อเรียกสัตว์หมูสัตว์ผู้กําหนัดยินดีติดใจคือสยบหมกมุ่นเกาะติดเกี่ยวพัน ตัวพันในกางทั้งหลายสัตว์เหล่านั้นย่อมต้องการยินดีปรารถนามุ่งหมายมุ่งหวังมุนีผู้ข้ามเคือผู้ข้ามขึ้นข้ามพ้นก้าวล่วงเก้าพ้นล่วงพ้นซึิงกามโมคะพะโวคะทิโถโคะอวิชโชคะทางแห่งสงสารทั้งปวงได้แล้วถึงฝั่งบรรลุฝั่งถึงที่สุดบรรลุที่สุดถึงส่วนสุดบรรลุส่วนสุด ถึงท้ายสุดบรรลุท้ายสุดถึงที่ปกป้องบรรลุที่ปกป้อง press, lean, ถึงที่ป้องกันบรรลุที่ป้องกันถึงที่เหลีกเร้นบรรลุที่เหลีกเร้นถึงที่พึ่งบรรลุที่พึ่งถึงที่ไม่มีภัยบรรลุที่ไม่มีภัยถึงที่ไม่จุติบรรลุท <til> ี่ไม่จุติถึงอมตะธรรมบรรลุอมตะธรรมถึงนิพพานบรรลุนิพพาน เปรืบเหมือนพวกลูกหนี้ย่อมปรารถนายินดีความเป็นผู้หมดหนี้ฉันใดพวกที่ป่วยไข้ย่อมปรารถนายินดีความเป็นผู้หายโรคฉันใดพวกที่ติดอยู่ในเรือนจำย่อมปรารถนายินดีความพ้นจากเรือนจำฉันใดพวกทาสย่อมปรารถนายินดีความเป็นไทยฉันใดพวกคนเดินทางกันดาลย่อมปรารถนายินดีภาพพื้นที่กระเสมฉันใด หมูสัตว์ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้กําหนัดยินดีติดใจเคยสยบหมกมุ่นเกาะติดเกี่ยวพันผัพวพันเนื้อแการมทั้งหลายหมูสัตว์เหล่านั้นย่อมต้องการยินดีปรารถนามุ่งหมายมุ่งหวังมุ่นีผู้ข้ามคือผู้ข้ามขึ้นข้ามพ้นกามโมคะพะโวคะถึงนิพพานบรรลุนิพพานรวมความว่าหมูสัตว์ผู้ติดใจในื้กรมทั้งหลาย ย่อมยินดีผู้ข้ามโอคะได้แล้วด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่ามู่ศาสผู้ติดใจเนกามทั้งหลายย่อมยินดีมุนีผู้ว่างประพฤติอยู่ไม่มุ่งหวังกามทั้งหลายผู้ข้ามโอคะได้แล้วติสะเมเตยสุตตนิเทศที่เจ็ดจบ ปสูระสุตานิเทศอธิบายปสูระสูตรว่าด้วยปริภาชกชื่อว่าปสูระพระสารีบุตรเทระจะกล่าวอธิบายปสูระสูตรดังต่อไปนี้ห้าสิพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสมณพราหมณ์เป็นอันมากย่อมกล่าวความหมดจดในธรรมนี้เท่านั้นเมื่อกล่าวความหมดจดในธรรมเหล่าอื่นบุคคลอาศัยศาสดาใด ก็กล่าวศาสดานั้นว่าดีงามในพระทิฏฐิของตนนั้นเป็นผู้ตั้งอยู่ในปัจเจกสัจจะคำว่าย่อมกล่าวความหมดจดในธรรมนี้เท่านั้นอธิบายว่าย่อมกล่าวคือพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปในธรรมนี้เท่านั้นได้แก่กล่าวคือพูด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 หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกย่อมกล่าวคือพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมฆะรวมความว่าย่อมกล่าวความหมดจดในธรรมนี้เท่านั้น คำว่าไม่กล่าวความหมดจดในทำเหล่าอื่นอธิบายว่าย่อมทิ้งละทิ้งทอดทิ้งว่าทะาอื่นทุกอย่างนอกจากศาสดาทำที่ศาสดากล่าวสอนหมู่คณะทิฏฐิปฏิปทามรคของตนกล่าวอย่างนี้คือพูดบอกแสดงชี้แจงอย่างนี้ว่าศาสดานั้นมิใช่สัพพัญยูทำมิใช่ศาสดากล่าวสอนไว้ดีแล้ว หมู่คณะไม่ใช่ผู้ปฏิบัติดีแล้วทิฏฐิไม่ใช่สิ่งที่เจริญปฏิปทาไม่ใช่าศาสดาบัญญัติไว้ดีแล้วมักไม่ใช่ทางนำออกจากทุกข์ในธรรมนั้นไม่มีความหมดจดความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปหรือความหลุดพ้นไปคือในธรรมนั้นสัตว์ทั้งหลายย่อมหมดจดสะอาดบริสุทธิ์หลุดไปพ้นไปหรือหลุดพ้นไปไม่ได้ สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้เลวคือสามต่ําสามน่ารังเกียจหยาบช้าต่ําต้อยรวมความว่าไม่กล่าวความหมดจดในทำเหล่าอื่นคําว่าบุคคลอาศัยศาสดาใดในคําว่าบุคคลอาศัยศาสดาใดก็กล่าวศาสดานั้นว่าดีงามในพระทิฐิของตนนั้นอธิบายว่าอาศัยคืออิงอาศัยติดติดแน่นติดใจ น้อมใจเชื่อศาสดาทำที่ศาสดากล่าวสอนหมู่คณะปฏิปทามักใดคำว่าในเพราะทิฏฐิของตนนั้นได้แก่ในเพราะทิฏฐิของตนคือในความถูกใจของตนความพอใจของตนลัทธิของตนคำว่ากล่าวว่าดีงามได้แก่กล่าวว่างามคือกล่าวว่าดีกล่าวว่าฉลาดกล่าวว่าเป็นนักปราช กล่าวว่ามีญาณกล่าวว่ามีเหตุผลกล่าวว่ามีคุณลักษณะกล่าวว่าเหมาะแก่เหตุกล่าวว่าสมฐานะในเพราะลัทธิของตนรวมความว่าบุคคลอาศัยศาสดาใดก็กล่าวศาสดานั้นว่าดีงามในเพราะทิฐิของตนนั้นคำว่าสมณพราหมณ์เป็นอันมากเป็นผู้ตั้งอยู่ในปเจกสัจจะอธิบายว่า สมณะรามเป็นอันมากเป็นผู้ตั้งอยู่เคือเป็นผู้ตั้งมั่นติดติดแน่นติดใจน้อมใจเชื่อในปัจเจกสัจจะได้แก่ตั้งอยู่คือตั้งมั่นติดติดแน่นติดใจน้อมใจเชื่อว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมคะโลกไม่เที่ยงตั้งอยู่คือตั้งมั่นติดติดแน่นติดใจน้อมใจเชื่อว่า หลังจากตายแล้วตถาคุจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมฆะรวมความว่าสมณพราหมณ์เป็นอันมากเป็นผู้ตั้งอยู่ในปัจเจรัสสัจจะด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสมณพราหมณ์เป็นอันมากย่อมกล่าวความหมดจดในธรรมนี้เท่านั้นไม่กล่าวความหมดจดในธรรมเหล่าอื่น บุคคลอาศัยศาสดาใดก็กล่าวศาสดานั้นว่าดีงามในพระทิฐิของตนนั้นเป็นผู้ตั้งอยู่ในปัจเจกสัจจะหกสิ 60. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นเป็นคนอยากพูดเข้าไปสู่บริษัทแล้วจับคู่กล่าวหากันและกันว่าเป็นคนพาลสมณพราหมณ์เหล่านั้นอาศัยสิ่งอื่นแล้วย่อมกล่าวถ้อยคำขัดแย้งกัน อยากได้ความสรรเสริญก็กล่าวยกตนว่าเป็นผู้ฉลาดว่าด้วยการยกวาทะคำว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นเป็นคนอยากพูดในคำว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นเป็นคนอยากพูดเข้าไปสู่บริษัทแล้วอธิบายว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นเป็นคนอยากพูดคือเป็นคนต้องการพูดประสงค์จะพูดมุ่งหมายจะพูดเที่ยวแสวงหาการพูด คำว่าเข้าไปสู่บริษัทแล้วได้แก่เข้าไปแล้วคือก้าวลงแล้วแทกเข้าไปแล้วเข้าถึงแล้วซึ่งขติยะบริษัทพรามนบริษัทข่าบดีบริษัทสมณบริษัทรวมความว่าสมณพรามเหล่านั้นเป็นคนอยากพูดเข้าไปสู่บริษัทแล้วคำว่าจับคู่ในคำว่าจับคู่กล่าวหากันละกันว่าเป็นคนผ่าน อธิบายว่าคนสองพวกคนก่อการทะเลาะกันสองฝ่ายคนก่อการบาดมมางกันสองฝ่ายคนก่อการอื้อเช้ากันสงฝ่ายคนก่อการวิวาทกันสงฝ่ายคนก่ออธิกรกันสงฝ่ายคนว่ากล่าวกันสองฝ่ายคนโต้เถียงกันสองฝ่ายคนเหล่านั้นกล่าวหาคือเห็นแลเห็นเพ่งพินิจพิจารณาดูกันละกันดูความเป็นคนพาน คือโดยความเป็นคนเลวสามต่ำซามน่ารังเกียจหยาบช้าต่ำต้อยรวมความว่าจับคู่กล่าวหากันละกันว่าเป็นคนพาลคำว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นอาศัยสิ่งอื่นแล้วย่อมกล่าวถ้อยคําขัดแย้งกันอธิบายว่าอาศัยคืออิงอาศัยติดติดแน่นติดใจน้อมใจเชื่อาศาสดา ทำที่ศาสดากล่าวสอนหมู่คณะทิฐิปฏิปทามักอื่นความทะเลาะกันความบาดหมางกันความแข่งแย่งกันความวิวาทกันการมุ่งร้ายกันตราดเรียกว่าถ้อยคำที่ขัดแย้งกันอีกในหนึ่งคาว่าถ้อยคําขัดแย้งกันได้แก่ถ้อยคําที่ไม่นุ่มนวลอธิบายว่าชมณะพรามเหล่านั้นย่อมกล่าวคือพูด บอกแสดงชี้แจงถ้อยคำขัดแย้งกันคือคําทะเลาะกันคําบาดหมางกันคําแก่งแย่งกันคําวิวาทกันคํามุ่งร้ายกันรวมความว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นมาใช้สิ่งอื่นแล้วย่อมกล่าวถ้อยคําขัดแย้งกันคําว่าอยากได้ความสัรเสริญในคําว่าอยากได้ความสัรเสริญก็กล่าวยกตนว่าเป็นผู้ฉลาด อธิบายว่าอยากได้ความสรนเสริญเคยต้องการความสรนเสริญประสงค์ความสรนเสริญมุ่งหมายความสรนเสริญเที่ยวแสวงหาความสรนเสริญคําว่าก็กล่าวยกตนว่าเป็นผู้ฉลาดได้แก่กล่าวยกตนว่าเป็นผู้ฉลาดคือกล่าวว่าเป็นบัณฑิตกล่าวว่าเป็นนักปราดกล่าวว่ามียานกล่าวว่าสมเหตุผลกล่าวว่ามีคุณลักษณะ กล่าวว่าเหมาะแก่เหตุกล่าวว่าสมฐานะตามลัทธิของตนรวมความว่าอยากได้ความสรรเสริญก็กล่าวยกตนว่าเป็นผู้ฉลาดด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นเป็นคนอยากพูดก็ไปสู่บริษัทแล้วจับคู่กล่าวหากันละกันว่าเป็นคนพาลสมณพราหมณ์เหล่านั้นอาศัยสิ่งอื่นแล้วย่อมกล่าวถ้อยคาขัดแย้งกัน อยากได้ความสันเสริญก็กล่าวยกตนว่าเป็นผู้ชลาด61พระผู้มีพระภาคตรัสว่าคนผู้ประกอบถ้อยคำเพื่อกล่าวในท้ำกลางบริษัทเมื่ออยากได้ความสันเสริญย่อมเป็นผู้ลังเลใจ เป็นผู้เกอ้อเขินในเมื่อถูกค้านตกไปย่อมโกรธเคืองเพราะคํานินทาสแสวงหาข้อแก้ตัวว่าด้วยแพ้วาทะแล้วขัดเคืองคําว่าคนผู้ประกอบถ้อยคําเพื่อกล่าวในถ้ำกลางบริษัทอธิบายว่าคนผู้ประกอบคือเตรียมตัวตระเตรียมรวบรวมรียบเรียงถ้อยคําของตนเพื่อกล่าวในถ้ำกลางคตยะบริษัท พามเบริษัทพระหบะดีบริษัทหรือสมณบบริษัทรวมความว่าคนผู้ประกอบถ้อยคําเพื่อกล่าวในถ้ำกลางบริษัทคําว่าเมื่ออยากได้ความสรรเสริญในคําว่าเมื่ออยากได้ความสรรเสริญย่อมเป็นผู้ลังเลใจอธิบายว่าเมื่ออยากได้คือยินดีปรารถนามุ่งหมายมุ่งหวังความสรรเสริญคือความชมเชยความมีเกียรติ ความยกย่องคุณความดีคําว่าย่อมเป็นผู้ลังเลใจอธิบายว่าก่อนตอบโต้ย่อมสงสัยลังเลใจคือก่อนตอบโต้ย่อมสงสัยลังเลใจอย่างนี้ว่าเราจะมีชัยหรือปราชัยหนอจากข่มเขาอย่างไรจากทําละทิของเราให้เลื่อลอยได้อย่างไรจากทําให้พิเศษได้อย่างไรจากทําให้พิเศษยิ่งขึ้นไปได้อย่างไร จะทำการผูกมัดได้อย่างไรจะทำความผ่อนคลายได้อย่างไรจะทำความตัดร้อนได้อย่างไรจะตีขณะวาทะเขาได้อย่างไรรวมความว่าเมื่ออยากได้ความสรรเสริญย่อมเป็นผู้ลังเลใจคำว่าเป็นผู้เก้อเขินในเมื่อถูกค้านตกไปอธิบายว่าบริษัทสมาชิก ข, ของบริษัทผู้พิจารณาปัญหาเป็นผู้มีเหตุผล ย่อมคัดค้านให้ตกไปเคือกคัดค้านให้ตกไปโดยอาจว่าคําที่ท่านพูดไร้ความหมายคัดค้านให้ตกไปโดยพยัญชนะว่าสิ่งที่ท่านพูดแล้วไม่ถูกต้องโดยพยัญชนะคัดค้านให้ตกไปทั้งโดยอาจและพยัญชนะว่าสิ่งที่ท่านพูดแล้วไม่ถูกต้องทั้งโดยอาจและพยัญชนะคัดค้านให้ตกไปว่าอาจที่ท่านนํามาไม่ถูกต้องพยัญชนะที่ท่านยกขึ้นมาไม่ถูกต้อง ทั้งอัดและพยัญชนะที่ท่านนำมาและยก ข, ขึ้นมาไม่ถูกต้องความขม่มผู้อื่นท่านยังไม่ได้ทำการทำลัทธิให้เลิศลอยท่านยังทำไม่ดีความพิเศษท่านยังไม่ได้ทำการทำให้พิเศษยิ่ยงขึ้นท่านยังทำไม่ดีความผูกมัดท่านยังไม่ได้ทำความผ่อนคลายท่านยังทำไม่ถูกต้องความตัดรอนท่านยังไม่ได้ทำการขนาวทะท่านทาไม่ถูกต้อง ท่านพูดไม่ถูกต้องกล่าวไม่ถูกต้องเจรจาไม่ถูกต้องเปล่งวาจาผิดกล่าวให้คลาดเคลื่อนพูดชั่วคำว่าเป็นผู้เก้อเขินในเมื่อถูกค้านตกไปอธิบายว่าเมื่อถูกคักค้านให้ตกไปก็เป็นผู้เกลอเขินคือถูกบีบค้นถูกทําให้ละอายถูกทําให้กระวนกระวายถึงความทุกข์ใจรวมความว่า เป็นผู้เก้อเขินในเมื่อถูกค้านตกไปคำว่าเพราะคำนินทาในคำว่าย่อมโกรธเคืองเพราะคำนินทาแสวงหาข้อแก้ตัวอธิบายว่าเพราะคำนินทาคือคำคอรหาคำไม่ชมเชยคำไม่สรรเสริญคุณความดีคำว่าย่อมโกรธเคืองได้แก่ย่อมโกรธเคือง คือแค an, ้นเคืองขุนเคืองได้แก่ทำความโกรธเคืองความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏรวมความว่าย่อมโกรธเคืองเพราะคำนินทาคำว่าแสวงหาข้อแก้ตัวได้แก่แสวงหาข้อแก้ตัวคือแสวงหาข้อผิดแสวงหาข้อพลังผิดแสวงหาข้อผิดพลาดแสวงหาข้อพลังเผลอแสวงหาช่องทางรวมความว่า ย่อมโกรธเคืองเพราะคำนินทาแสวงหาข้อแก้ตัวด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าคนผู้ประกอบถ้อยคำเพื่อกล่าวในท้ำกลางบริษัทเมื่ออยากได้ความสรรเสริญย่อมเป็นผู้ลังเลใจเป็นผู้เก้เขินในเมื่อถูกค้านตกไปย่อมโกรธเคืองเพราะคำนินทาแสวงหาข้อแก้ตัวหกสิบสองพระผู้มีพระภาคตรัสว่า บริษัทผู้พิจารณาปัญหากล่าวว่าทะของเขาว่าเลวถูกคัดค้านตกไปแล้วเขาเสื่อมวาทะไปแล้วย่อมคลั่งครวญเศร้าโศกทอดถอนใจว่าเขานำหน้าเราไปแล้วว่าด้วยถูกคมด้วยวาทะแล้วเสียใจคำว่ากล่าววาทะของเขาว่าเลวอธิบายว่าชุมชนผู้พิจารณาปัญหาเ้ียกล่าวอย่างนี้คือ พูดบอกแสดงชี้แจงวาฏทะของเขาว่าเลวคือซามต่ำซามเสื่อมเสียไม่บริบูรณ์อย่างนี้รวมความว่ากล่าววัฏทะของเขาว่าเลวคําว่าบริษัทผู้พิจารณาปัญหาถูกคัดค้านตกไปแล้วอธิบายว่าบริษัทสมาชิกของบริษัทผู้พิจารณาปัญหาเป็นผู้มีเหตุผลย่อมคัดค้านให้ตกไป คือคัดค้านให้ตกไปโดยอาจว่าคำที่ท่านพูดไรความหมายคัดค้านให้ตกไปโดยพยันชนะว่าสิ่งที่ท่านพูดแล้วไม่ถูกต้องโดยพยันชนะคัดค้านให้ตกไปทั้งโดยอาจและพยันชนะว่าสิ่งที่ท่านพูดแล้วไม่ถูกต้องทั้งโดยอาจและพยันชนะคัดค้านให้ตกไปว่าอาจที่ท่านนำมาไม่ถูกต้องพยันชนะที่ท่านยกขึ้นมาไม่ถูกต้อง ทั้งอัดและพยัญชนะที่ท่านนำมาและยกขึ้นมาไม่ถูกต้องความผ่มผู้อื่นท่านยังไม่ได้ทาการทำลัทธิให้เลิศลอยท่านยังทำไม่ดีความพิเศษท่านยังไม่ได้ทาการทำให้พิเศษยิ่งขึ้นท่านยังทำไม่ดีความผูกมัดท่านยังไม่ได้ทำความผ่อน ค, าคลายท่านทำไว้ไม่ถูกต้องความตัดรอนท่านยังไม่ได้ทำการขนาบวาทะท่านทำไม่ถูกต้อง ท่านพูดไม่ถูกต้องกล่าวไม่ถูกต้องเจราจาไม่ถูกต้องเปล่งวาจาผิดกล่าวให้คลาดเคลือนพูดชั่วรวมความว่าบริษัทผู้พิจารณาปัญหาถูกคัดค้านตกไปแล้วคำว่าย่อมคร่ำครวญในคำว่าเขาเสื่อมวาทะไปแล้วย่อมคร่าครวญเศร้าโศกอธิบายว่าการพูดพร่การพูดเพอ้อการพูดเพอเจอ้อ ความพิ่มเพอยิริยาที่พร่มเพอภาวะที่พร่มเพอเห็นป่านนี้ว่าเรานึกคิดพิจรารณากำหนดไว้เป็นอย่างอื่นเขามีพวกมากมีบริษัทมากมีบริวารมากและบริษัทนี้เป็นพวกแต่หาพร้อมเพรียงกันไม่การให้มีการพูดจาปราศัยเพื่อให้บริษัทพร้อมเพรียงกันเถิดเราจะทําลายเขาอีกรวมความว่าย่อมเคร่องครวว คำว่าเศร้าโศกได้แก่เศร้าโศกคือลำบากใจคร่ำครวญตีอกพร่เพอ้อถึงความหลงไหลว่าเขามีชัยชนะเราปราชัยเขาได้ลาบเราไม่ได้ลาบเขามียศเราไม่มียศเขาได้ความสรนเสริญเราได้แต่การนินทาเขามีสุขเรามีทุกข์เขาได้รับสักการะเคารพนับถือบูชายำเกรง ได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและคีฬานปัจใจเพสัตบริคานเราไม่ได้รับสักการะเคารพนับถือบูชายำเกรงไม่ได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและคีฬานปัจใจเพสัตบริคานรวมความว่าย่อมคร่ำครวญเศร้าโศกคำว่าเสื่อมวาทะไปแล้วได้แก่เสื่อมวาทะไปแล้วคือมีวาทะเลว ซ้ำต่ำซ้ำเสื่อมเสียไม่บริบูรณ์รวมความว่าเสื่อมวาทะไปแล้วย่อมคร่ำครวญเศร้าโศกคําว่าท่อถอนใจว่าเขานําหน้าเราไปแล้วอธิบายว่าท่อถอนใจว่าเขานำหรือล่วงเลยก้าล่วงก้าพ้นล่วงพ้นเราคือวาทะเราด้วยวาทะเขาแล้วรวมความว่า เขานำหน้าเราไปแล้วอย่างนี้บ้างอีกนหนึ่งทอดถอนใจว่าเขาเที่ยวไปคืออยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปครอบงำท่วมทับรัดรึงย่ายีเราคือวาทะเราด้วยวาทะเขารวมความว่าเขานำหน้าเราไปแล้วอย่างนี้บ้างการพูดพร่การพูดเพอ้อ การพูดเพอ้อเจอความพร่มเพอ้อกิริยาที่พร่มเพอ้อภาวะที่พิ่มเพอ้อตรัสเรียกว่าการทอดถอนใจรวมความว่าท่อถอนใจว่าเขานำหน้าเราไปแล้วด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าบริษัทผู้พิจารณาปัญหากล่าวว่าทะของเขาว่าเลวถูกคัดค้านตกไปแล้วเขาเสื่อมวาทะไปแล้วย่อมคร่ำครวญเศร้าโศก ทอถอนใจว่าเขานำหน้าเราไปแล้ว